วัดแห่งนี้นะชื่อชื่อภาษาไทยชื่อว่าวัดแสนสุขแต่ชาวบ้านเขาเรียกวัดกวนอิมซื่อเป็นแบบภาษาจีนแต่จริงชื่อทางการก็มีชื่อนึงนะจำไม่ได้เหมือนกันเป็นวัดที่พิษุณีจีนท่านมาจากยุนนานนะ หมู่บ้านก็มาจากมุนทนยืนนานก็มาค อ, อ, อ, อ, อพยพมาตั้งแต่สมัยที่มีการต่อสู้แบ่งแยกคล้ายๆต่อสู้ระว่างที่จีนต่อสู้คอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยอยู่เนียนะแล้วก็มาตกค้างที่นี่แต่พิสุณีท่านก็ถือบวชมาตั้งแต่อายุสิบกว่สิบกว่าปีนะจนมรณภาพตอนยุแปดสิบหกปี แปดสิบหกปีแปดสิบกว่าพรรษานะก็มาจากยุนนานมาสร้างวัดที่นี่ก็เห็นพระท่านบอกว่าน่าจะสามสิบกว่าปีละ<ม>ชื่อว่า<ม>วัดแสนสุขนะแสนสุกก็เป็นชื่อที่ดีเหมือนกันนะเป็นชื่อที่ดีแต่ก็ถ้าถ้าเรา น่เข้าใจไม่ดีนะก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าชีวิตอะไรคนน่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะให้มีชีวิตที่ที่สุขสบายเนาะน่ยยิ่งหนึ่งยิ่งมากเท่าไหร่ก็ถือว่าดีนะแต่บางทีทางโลกบางทีพอเราคิดถึงความสุขความสบายนะความสุขมันก็ไปตีความ ใกลเคียงกับความสนุกหรือความเพลิดเพลินอะไรเนี่ยนะคนแบบมันจะกลายเป็นเรื่องของการเสพนะเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะให้มีความให้มีความสบายไม่มีความนะเรียกว่าสนุกสนานให้มีความเรียกว่าไม่มีความทุกข์เลยอย่างนี่นะคนหลายๆคนก็มักจะคิดว่านะการที่ ชีวิตมีความสุขความสบายแบบนั้นนะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยนะมันคือชีวิตที่ดีนะนี้ถ้าไปเข้าใจแต่แง่นั้นนะบางทีมันจะทำให้เราไม่ค่อยกล้าที่จ ะ, ะเผชิญกับความทุกข์กับความลาบากนะหรือบาทําำให้เราไม่ค่อยทำให้เราพยายามที่จะหนีปัญหาหนีอุปสรรค มีความยุ่งยากต่างๆนะในชีวิตนะมองในแง่หนึง่งการหนีก็คือการการที่เรากลัวการที่เราเกลียดการที่เราพยายามที่จะเลี่ยงมันนะมันก็คือการที่เราไม่เผชิญหน้าไม่เรียนรู้กับมันนะพระพุทธเจ้านะั่นก็เรียกว่าหนีความสบายนะหนีความสุขทั้งโลกนะมีพร้อมมีสมบัติ มีภรรยามีอำนาจนะหนีออกจากวังมาสู่ป่านะมาออกบวชนะทันละความสะดวกสบายนะมาสู่ชีวิตที่ลำบากนะเพราะท้ามองว่าเออการที่มีชีวิตที่ลำบากแม้ไม่สะดวกสบายทางวัตถุนะแต่มันก็อาจจะมันน่าจะเป็นหนทางที่จะทำให้นะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะ กเราเองก็เหมือนกันนะหลายท่านก็ออกบวชหลายท่านก็เข้าวัดนะหลายท่านก็เนี่ยแหละอยู่วัดมานานนะเกี่ยวข้องกับวัดมานานนะการที่เราเอาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ า, าท่านสอนนะเป็นสิ่งที่ที่สาคัญมากนะคือพระพุทธเจ้ า, าท่านไม่ได้ติดในความสุขความสบายความสะดวกนะนะแต่ถ้าถึงนะหรือแม้บางครั้งนะี่ในชีวิตสมัยนี้มันก็มี ความสบายเพิ่มขึ้นมีความสะดวกเพิ่มขึ้นนะแต่ประเด็นคือก็ไม่ใช่ไปติดมันขาดเขาไม่ได้นะพอเจอความทุกข์ความลำบากก็ดิ้นดนนะแล้วก็ยอมรับไม่ได้นะแต่จริงถ้าเราเรียนรู้จากชีวิตพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าจากพระอ่อหลายๆรูปก็ดีหรือไม่แต่คารวะหลา ย, ลายๆคนก็ดีนะที่แบบ เขาเอาความทุกข์ความลําบากความไม่สะดวกเนี่ยแหละนะเป็นตัวฝึกฝดฝึกฝนตัวเราเองนะอันนี้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากอย่างการทุดงนะเนะี่ยความหมายอย่างหนึ่งคือการที่เรียกว่าการบําเพ็ญความเพียรที่ที่เรียกว่ายิ่งยวดนะทนะุดงนี่คือการที่เรียกว่าบําเพ็ญกิจที่มันยิ่งยวดนะมากกว่า คนทั่วๆไปเขาจะทำได้นะก็เป็นในหลายอย่างนะอย่างเช่นทานข้าวมื้อเดียวอะไรแบบนะีนะ้หรือทานแต่อาหารวนะินตบารอะไรแบบนี้มันคือมันก็เป็นอะไรที่มันก็ทำยากขึ้นนะสำหรับคนทั่วไปการนอนก็แล้วแต่คนจะถือนอนในที่แจ้งบ้างนอนในป่าช้าบ้างนะนะอะไรคือพวกนกี้ก็คือความลำบากอย่างหนึง่ง เครื่องเครื่องนุ่มผมนะจีวอลก็มีเฉพาะสามพื้นหรือว่าบางรูป ก, ก็ถือรับเฉพาะจีวรที่มาจากผ้าบางสกูลเลยนะหรือบางวันก็เน้นการไม่นอนเลยเนสชิกไอ้พวกนี้ยคือความลําบากที่หรือความยากที่คนทั่วไปเขายากที่จะทําได้นะแต่การถือทดงคือการเนี้ยการทํากิจในสิ่งที่ยากทํากิจสิ่งที่ยากเพื่ออะไรก็เพื่อ คล้ายๆขัดกิเลสออกไปจากจิตใจถ้าเราพูดถึงแบบคล้ายๆหินหินหินที่เอาไว้ขัดขี้ใครนะขัดคราบสกปร ก, กออกจากร่างกายของเรานะการที่เราทำกิจที่มันยากขึ้นน ะ, ะเผชิญความยากลำบากนะทำอะไรที่ที่เรียกว่ามันเป็นการขัดเกากิเลสนะอันนี้คือคือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์นะท่านก็ทำเช่นนี้แหละนะนะคือพยายามขัดเกาอกิเลสของตัวเราเองอยู่เสมอเนี่ยนี่คือหนทางที่ที่เราควรจะเดินตามเนะบางทีมอาจจะดูลำบากนะนอาจจะไม่สบายนะอย่างชีวิตบางทีตื่นแต่เช้านะมาสวดมนต์ไหว้พระนะนอนในที่ที่บางทีก็เย็นนะไม่สะดวกไม่พร้อม ห้องน้ำห้องท่าก็ อ, อาจจะไม่มีน้ําอุ่นนะไม่มีความสะดวกสบายเหมือนที่บ้านของเราเดินทางก็เหนื่อยก็ร้าบ้างแต่มันก็มองในแง่หนึ่งมันดีนะมันทำให้เราได้เรียกว่าละความเคยชินในความสะดวกสบายนะกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายแบบนี้เนาะอันนี้คือการขัดเ ก, ากเลาเกลิดนะเพราะที่จริงชีวิตเราถ้าถ้าเราไปมุ่ง เน้นที่ความสุขความสบายนะที่มันเป็นการสนองสนองกิเลสตัณหาเนี่ยบางทีมันไม่ใช่หนทางถ้าไปเน้นตรงนั้นคนก็จะไปมุ่งเน้นที่วัตถุข้างนอกนะแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ปริเสธความวัตถุข้างนอกนะนะแต่ท่านให้เราไม่ไปยึดไม่ไปติดมันนะมี ก็ใช้นะี่ไม่มีก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องคนขวายมากนะก็เอาแค่ได้ใช้ไม่ทำให้ร่างกายมันไม่ทรมานเกินไปแค่นั้นแต่ท่านมุ่งเน้นที่การขัดเกลอกิเลสในใจของเรานี่แหละสำคัญที่สุดนะีนะ่เราจะทำไงให้ในแต่ละวันของเราเป็นการขัดเกลอกิเลสข้างในของเราเนี่ยแหละนะกิเลสมันเกิดขึ้นเราจะรู้ทันมันนะจะลักมันด้อย่างไรเนะี่ยคือ คือกิจที่สําคัญเลยนะอืกิจที่สําคัญในโลกนี้นะเพราะโลกนี้นะชีวิตในอัตภาพหรือว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมันสั้นนะมันสั้นนิดเดียวหลายคนก็อาจจะไม่ถึงห้าหกสิบปีบางคนอาจจะอย่างมากก็เดือนนี้ก็เก้าสิบปีก็มากละนะคือชีวิตในช่วงเวลาเนี่ยมันสั้นมากนะ แต่ชีวิตในภพภูมิอื่นนะจะเป็นนรกหรือว่าจะเป็นสวรรค์นะมีหลายภพภูมิที่ยาวมากนะก็ยาวนั่นด้วยผลกรรมที่ทาในในชาติความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันก็จะพาไปนะทําความดีนะก็พาไปทางดีทําความชั่วก็พาไปทางชั่วเนะี่ยมันอีกยาวเลยนะนะมันอีกยาวมากนะคล้ายๆเหมือน คนเช่นทำผิดเนาะทำผิดถูกจับได้นะตอนทำผิดนะเวลาทำผิดไม่นานนะแต่เวลาติดคุกถูกลงโทษเนี่ยมันนานใช่ไหมอันนี้คือเวลาในโลกมนุษย์บางทีมันสั้นนะการกระทำบางอย่างที่เราทำนะมันส่งผลต่อไปอีกนานเลยเมื่เราปลูกต้นไม้นะใช้เวลาปลูกไม่นานหรอกนะ แต่เวลาต้นไม้เขาโตออกดอกออกผลนี่ะอีกนานเลยนะ ม, มันต้องเรียกว่าวิบากกรรมมันก็เกิดขึ้นตามมาได้อันนี้แต่วิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นกับร่าง ก, กายนะกับปัญหากับสิ่งภายนอกบางทีเราก็ห้ามไม่ได้ถ้ามันเคยทำมาแล้วนะแต่สิ่งที่เราฝึกนะฝึกใจนะอยู่อย่างไรให้ใจไม่ทุกข์ จะเจออะไรก็ได้แต่นะจะอยู่อย่างไรให้ใจเรียกว่าเรียนรู้กับปัญหานั้นเรียนรู้กับความทุกข์นั้นนะจนทั้งใจไม่เป็นทุกข์นะพระเจ้าท่านเน้นเลยเรื่องความทุกข์เนี่ยมันเป็นของดีนะเป็นของดีนะมันทําให้เราได้เห็นแล้วทำให้เราได้ละเหตุของความทุกข์ได้นะ นั้นบางทีชีวิตที่ไม่สบายไม่สะดวกนะแต่ถ้ามันก็มีรสชาตินะมันทำให้เราเห็นความทุกข์นะความทุกข์เกิดขึ้นกับร่างกายก็ดีความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตใจก็ดีนะมันบีบคั้นให้เราหาทางออกจากทุกข์นะเหมือนคนยากจนนะเขาก็หลายคนก็ดิ้นรนนะดิ้นรนที่จะเรียกว่าหนีจากความยากจนนั้นนะ ความทุกข์ในใจก็เหมือนกันนะมันก็เป็นตัวบีบคั้นให้เราหาทางที่จะออกจากความทุกข์ให้ได้นะถ้าเราค้นพบทางนะถ้าเราทำทางอางนี้บ่อยๆเนะี่ยเราก็จะมีที่พึ่งนะมีที่พึ่งที่พึ่งที่แท้จริงจริ ง, รงก็คือที่พึ่งที่เราสร้างเองนะนะพระพุทธเจ้าท่านมาโปรดพวกเราเนี่ยมันดีมากๆนะแต่ก่อนก็ ก็รู้สึกไม่ค่อยทราบซึ้งเท่าไหร่นะตอนฟังอย่างเช่นฟังประวัติพระพุทธเจ้านะโดยเฉพาะตอนที่ท่านตัดสู้แล้วนะท่านบำเพญ็ญนะเรียกว่าสเสวยวิมุตติสุขอยู่แถวต้นสี่มหาโพธิ์เจ็ดสัปดาห์นั่นนะนมีพระอินทร์ครับมาอาราธนาให้สอนนะมาปวดสอนสร ร, รพสัตว์ทั้งหลาย ในในพระ ส, สูตรหรือว่าในหนังสือก็บรรยายว่าพระพุทธองค์ตอนแรกก็คงไม่อยากจะโปรดนะคล้ายๆเบื่อหน่ายนะไม่รู้ว่ารือทางนี้มันก็ไม่ง่ายนะไม่มันยากนะมีน้อยที่จะคนที่จะทำจริงๆที่จะบรรลุได้นะ่่นก็ทรงเห็นว่ามันเป็นของของยากนะ เกินที่คนที่เขาไม่ตั้งใจที่จะทําได้ท่านก็มีความคิดไปนในทางที่จะไม่สอนแต่นั้นเราก็คิดว่าไม่น่านนะพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญบารมีเพื่อจะสอนอยู่แล้วแต่แต่ถ้าพิจารณาดูจริงนะก็คนเรานี่บางทีก็สอนกันยากนะนสอนบางทีการที่เราจะสอนตัวเองก็ดีนะหรือสอนคนอื่น นะให้เขาละกิเลสนะ่ะให้ละตัวตนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายจริงจอย่างที่พระเจ้าท่านท่านมองว่าโอ้งานสอนคนนะให้พ้นจากความทุกข์นะ่ะงานสอนคนให้จากเป็นปุถุชนเป็นอริซยชนนะ่ะให้ละกิเลสตัณหาเนี่ยมมันไม่ง่ายจริงๆริงนะแต่ปัญญาระดับพระพุทธเจ้าท่านก็ช่วยคนได้เยอะนะ่ะ แต่ตอนดังหลังนี่โอ้มันก็การสอนคนเนี่ยเป็นงานที่ยากนะยากมากนะเราเองนะก็ต้องมันฝึกฝนตัวเราเองนะนะเราเป็นนักบวชก็ดีหรือว่าเรามาอยู่วัดหรือเราเข้าวัดบ่อยๆก็ดีนะงานที่สําคัญที่สุดของเราคืองานสอนตัวเราเองนะอนะให้ละกิเลสนะให้ละตัณหานะต่างๆให้ได้นะรู้ทันมันแล้วก็นะอย่าให้มันมีอํานาจครอบ ง, งําใจของเรานะ วิธีการไหนที่จะเป็นการทรมานกิเลสเป็นการที่ไม่สนองกิเลสนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่แค่รูปแบบว่าต้องเดินแบบไหนนั่งแบบไหนส่วนมนแบบไหนดหักถ้าเราเห็นกิเลสตัวเราเองแล้วก็ละมันได้นะทรมานมันได้ น, นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนั้นทุกวิธีการทุกชีวิตของเราถ้าเราใช้แบบนี้ คือการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยนะให้เอาตัวนี้นะเป็นเป็นเป้าหมายชีวิตนะให้เราสอนตัวเราเองบ่อยๆนะหรือมีคนอื่นสอนคนอื่นแนะนำเราก็พยายามาทบทวนตัวเราเองนะขัดเกลาตัวเราเองนะถ้าตรงไหนเราติดเราขัดเราก็เนี่ยก็เอาคำสอนจากครูบาอาจารย์เอามาเตือนเอามาสอนตัวเราเองอยู่บ่อยๆนะ เราจะจะเรียกว่ามันอาจจะลําบากเบื้องต้นนะลําบากตอนที่มันทรมานตอนที่มันไม่ได้สนองความอยากนะแต่มันจะเป็นความสุขนะในบั้นปลายนะที่ยั่งยืนกว่านะมันจะเป็นชีวิตที่มีความสุขที่เป็นความสุขจากความสงบเป็นความสุขใจจริงๆไม่ใช่สุขเพราะว่ามีอะไรมาสนองตันหานะ แต่เป็นความสุขที่เกิดจากการละตันหาละกิเลสนะเป็นความสุขจากการเบาเบาใจนะที่ไม่ต้องดิ้นนนคนควายอะไรนะมันจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่านะก็ฝากไว้ครับนะ